เรื่องความสมบูรณ์พร้อมของประเทศไทยเรื่องอริยบุคคล น, นี้ท่านพระอาจารย์มั่นประรบไว้หลายสถานที่หลายวาระต่างๆกันแล้วแต่เหตุท่านเล่า ว, ว่าชาวพุทธมีหลายประเทศแต่จะขอกล่าวเฉพาะใกล้เคียงขเขมรลาวเวียดนามและพมา่านอกนี้ไม่กล่าว ท่านพระอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ว่าเขาเหล่านั้นแต่ได้พิจารณาแล้วไม่มีก็ว่าไม่มีมีก็ว่ามีท่านพระอาจารย์หมายถึงพระอาริยบุคคลในประเทศเหล่านี้มีที่ประเทศพมา่าเพียงคนเดียวคือหมู่บ้านที่ท่านไปจำพรรษาเป็นผ้าขาวที่ผู้เล่าเคยเล่า ว, ว่าบุตรสาวบุตรเคยและบุตรชายของตาพระขาวนั้นละ่ะ ที่มาจัดเสนาสนะของบิดาเขาถวายท่านพระอาจารย์และท่านเจ้าคุณบุญมั่นครั้งจาพรรษาที่ประเทศพมา่าท่านว่ายกเวยนสยามประเทศแล้วนอกนั้นไม่มีสำหรับสยามประเทศตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันมีติดต่อมาโดยไม่ขาดสายทั้งขฤหัสชายหญิงและบรรพชิตแต่มักขั้นต้นข้าราชรมากกว่า ทั้งปริมาณและมีศิขาน้อยกว่าท่านเล่าต่อไปว่าเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ได้ดูหมิ่นเขาเพราะประเทศเหล่านั้นขาดความพร้อมคือคุณสมบัติหลายอย่างเช่นเรื่องอักษรที่ไม่เป็นพุทธภาษาคือฐานกรวิบัติและองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือองค์พระมาหากษัตริย์ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็สำคัญขาดไม่ได้ถ้าขาดไปอริยบุคคลก็ขาดไปด้วยท่านพระอาจารย์ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระศาสนาทรงหาหลักคำประกานนั้นมั่นคงคือมุ่งไปที่พระเจ้าพิมพิสารความสำคัญอันนี้มีมาตลอดหากประเทศใด ไม่มีองค์ประกอบนี้ซึ่งเป็นเอกอัคระศาสนุประธาภพ ก, ก็ปฏิเสธได้เลยเปรียบเหมือนกับก้อนเศร้าสามก้อนก้อนที่หนึ่งคือความเป็นชาติก้อนที่สองมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติก้อนที่ส ม, มีองค์พระมาหากษัตริย์เป็นเอกอัคระศาสนุประธาภก าขาดไปก้อนใดก้อนหนึ่งก็จะขาดความสมบูรณ์ไปไม่สามารถจะใช้นึ่งต้มแกงหุงหาอาหารได้หมายเหตุผู้บันทึกเสียงในที่นี้ท่านพูดในสมัยที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจเด็ดขาดซึ่งในปัจจุบันการปกครองเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ก็อาจจะต้องรวมถึงนายกรัฐมนตรีหรือเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องไปด้วยเพราะหากว่าผู้เป็นใหญ่ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงพระศาสนาบกพร่องหรือทำไม่ดีพอเราก็จะเห็นได้ชัดอย่างในปัจจุบันนะครับว่าวัดจำนวนมากมีการปั้นเทพนอกศาสนาไว้ให้บูชาหรือนำสิ่งที่ขัดแยง้งกับคาสอนของพระศาสดามาให้คนยึดถือจนกลายเป็นการทาลายศาสนาทางอ้อมอยู่ในปัจจุบัน เช่นถ้าส่งเสริมให้อลาชีรุงเรืองในพระศาสนามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในวงการสงฆ์ก็จะส่งผลเสียหายได้มากมายกว่าที่คิดซึ่งปัจจุบันก็พบว่าวัยรุ่นจำนวนมากเสื่อมศรัทธาในพระศาสนาและกลายเป็นคนไม่มีศาสนาขึ้นมา ก, กว่าเดิมหลายเท่าหรือแม้ยังนับถือก็นับถือแบบผิดๆแต่ถ้าจะว่าดยภาพรวมแล้วประเทศไทยก็ยังมีผู้นับถือตรงทาง และรักษาคําสอนได้ถูกต้องครบถ้วนไว้ได้มากที่สุดปัจจุบันมีคนจำนวนมากเชื่อว่าพระอริยาไม่มีแล้วไม่มีใครบรรลุธรรมได้ถือเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งเพราะถ้าเชื่อแบบนั้นกำลังใจในการปฏิบัติจะน้อยลงเพราะเหมือนไม่รู้จะจริงจังไปทำไมและจะเผลอปรามาตผู้ปฏิบัติดีได้ง่ายหรือจิตไม่น้องกราบไหว้นับถือพระภิกษุในยุคนี้ได้เต็มใจเท่าที่ควรนะครับ ถ้าใครปฏิบัติจริงจังจนจิตผู้รู้ตื่นเห็นจิตเป็นอนัตตาในเบื้องต้นได้จริงคือเห็นชัดว่าเหมือนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เราเหมือนดูทีวีที่ตัวละครกำลังแสดงไม่ใช่การถอดจิตออกนอกร่างที่เป็นผลจากฤทธิ์และไม่ใช่สักแต่เข้าใจธรรมด้วยท่องจำตัวอักษรได้ซึ่งปัจจุบันมีคนทำได้เยอะมากจะเห็นชัดว่าพระอริยโดยเฉพาะพระโสดาบันนั้นไม่ได้ยากเกินวิสัยของมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดก็ตามที่เพียรศึกษาปฏิบัติจริงจังอย่างถูกต้องต่อเนื่องไปตามลำดับในไตรสิกขาพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้นะครับว่าอาจบรรลุได้ภายในเจ็ดวันจนถึงภายในเจ็ดปีแต่ให้สังเกตว่าคนบรรลุจริงนั้นมักจะไม่บอกใครหรือแสดงตัวว่าสำเร็จเป็นอริยขั้นไหนยกเว้นการพูดคุยผลปฏิบัติในหมู่นักปฏิบัติ ด, ด้วยกัน โดยจะบอกเล่าถึงสภาวธรรมที่ปรากฏเป็นหลักเท่านั้นประเทศไทยคือถิ่นที่เหมาะสมเป็นถิ่นมงคลดังที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้เพราะเอื้อแก่การศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งมีความพร้อมหลายด้านมีการรักษาคำพีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและมีผู้ปฏิบัติตรงถูกทางจนสาเร็จจริงเป็นพยานและสืบต่อพระศาสนามาจนถึงปัจจุบัน ทั้งอย่างจำแนกแจกแจงทำให้ง่ายต่อคนรุ่นใหม่ด้วยทั้งเนื้อนาบุญก็มีมากทาให้มีโอกาสสร้างบา ร, รมีสะสมอริยทรัพย์ได้ง่ายซึ่งเป็นพื้นฐานส่งต่อเป็นห่วงโซ่ให้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นซึ่งหลายอย่างเราไม่สามารถหาจากประเทศอื่นได้ตัวอย่างพระอริยะอิทุกนิกายทั่วโลกใหการยอมรับจนมีมติแต่งตั้งเป็นผู้นาสูงสุด ก็คือสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนส่วนตัวแล้วหลังจากได้ทำประวัติของหลวงปู่มัน่นก็พึ่งได้เห็นชัดนะครับว่าตัวเองนั้นโชคดีมากจริงๆที่ได้เกิดเป็นคนไทยในยุคนี้แม้จะเป็นหลังกึ่งพุทธกาลที่ผู้คนเริ่มเสื่อมศิลธรรมแล้วก็ตามเพราะถ้าเข้าใจในเรื่องสังสารวัตจะรู้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาที่ยังคงคาสอนได้ถูกต้องครบถ้วน และมีการจำแนกแจกแจงให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นหนังสือพุทธธรรมโดยสมเด็จพระพุทธโคส า, าจารย์ปอประยุตโตเป็นประเทศที่มีเนื้อนาบุญอยู่พร้อมและยังเป็นดินแดนที่เหมาะสมสัปปายะต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมโอกาสเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายไม่รู้อีกแสนล้านชาติจะได้มีโอกาสเช่นนี้อีกนะครับและถ้าพิจารณากันจริงจะยิ่งซึ้งในพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในทุกยุคสมัย ที่ทรงส่งเสริมรักษาพระศาสนาสืบต่อกันมาอย่างจริงจังพร้อมกับที่ทรงรักษาประเทศให้เป็นเอกราชไว้ได้เพราะถ้าถูกต่างชาติยึดครองป่านี้ศาสนาพุทธคงหายไปจากประเทศไทยหรือไม่สมบูรณ์เท่านี้คัมภีร์ต่างๆอาจถูกเผาโรงเรียนอาจไม่มีการสอนศาสนาหรือสอนศาสนาอื่นแทนเหมือนกับที่หลายประเทศเป็นอยู่กันในทุกวันนี้ดูอย่างอินเดียประเทศต้นทางเอง ก็ยังรักษาส่งเสริมพระศาสนาได้ไม่เท่าคนไทยจากประวัติตั้งแต่ต้นรัชกาลเอาแค่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งทนทรงสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศาสนาและมีส่วนสําคัญมากในการทําสังคยานารวบรวมเป็นพระไตปิฎกฉบับหลวงและรัชกาลต่อมาก็ทรงทํานุบบารุงเรื่อยมาจนมาถึงรัชกาลที่สที่ทรงบวชมานานแตกฉานในบาลีและพระไตปิฎก จนมาถึงรัชกาลที่หซึ่งท่านก็แตกฉานในธรรมอย่างยิ่งจนหลวงปู่มั่นท่านยังยกย่องอย่างมากและทุกรัชกาลก็ส่งอุปถัมภ์ศาสนาพุทธทั้งทางตรงและทางอ้อมเรื่อยมาความที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์แตกฉานในธรรมอย่างยิ่งนั้นนั่นคือสาเหตุหลักที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองในไทยจนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธโลกอย่างในปัจจุบันและน่าจะถือว่า มีพระและคาราวาดผู้เข้าถึงธรรมมากที่สุดดังที่หลวงปู่มั่นท่านว่าไว้จริงๆซึ่งเรื่องนี้ต้องผู้ปฏิบัติศึกษาจริงเท่านั้นจึงจะรู้และยอมรับไม่ใช่การยกยอคนในประเทศตัวเองเกินจริงเลยแต่ก็น่าเสียดานนะครับที่ปัจจุบันทั้งที่มีพระดีอยู่จำนวนมากที่หลายคนยังไม่มีโอกาสได้รู้จักท่านก็ปฏิบัติเปลีกวิเวของท่านไม่ค่อยได้ออกมาแสดงตัวให้ใครได้พบได้เห็นนัก แต่กลับเกิดข่าวเชาาของพระปลอมให้เห็นในข่าวได้ทุกวันยังไม่นับกับที่ไม่ศึกษาปฏิบัติให้ถูกสอนผิดสอนเพี้ยนหรือปั้นเทพนอกศาสนามาให้คนบูชาหรืออีกพวกคือท่องจาแม่นแต่ไม่ได้เข้าใจจริงไม่เคยปฏิบัติให้เกิดผลจริงแต่กลับคิดว่าตัวเองรู้จริงซึ่งอาจทาให้ตีความพระธรรมวิไนไม่ตรงนักหรือแม้แต่เข้าใจถูกต้องแต่กลับไม่ชนานาญในการสอน นำสิ่งที่ยากสําหรับผู้บารมีพร้อมมาให้ผู้มาใหม่ปฏิบัติจนคล้ายสอนวิชาเคมีให้เด็กอนุบาลที่ยังไม่มีทางเข้าใจได้เลยรวมแล้วก็ส่งผลเสียให้คนมองว่าศาสนาเป็นเรื่องไกลตัวเข้าใจยากหรือเข้าใจศาสนาผิดเสื่อมศรัทธานในศาสนาหรือปฏิบัติผิดทางซึ่งเป็นผลให้คนรุ่นใหม่ห่างไกลศาสนามากขึ้นทุกวันอย่างการอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมถ้านมีสอนกันจริงจังตั้งแต่เด็ก เราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าคนที่เชื่อเรื่องกรรมอย่างถูกต้องนั้นมีจำนวน น, น้อยมากการไม่อธิบายหรืออธิบายไม่กระจ่างจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเหตุผลมองไปว่าสิ่งเหล่านี้งมงายหลายคนก็เข้าใจผิดไปหนักเลยว่าศาสนาเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจที่ตั้งกฎกติกามาหลอกคนให้อยู่ในอำนาจเท่านั้นซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายมากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อ พ, พระพุทธศาสนา แต่ไม่สามารถเข้าใจคำสอนได้เลยและปัจจุบันก็กลายเป็นคนไร้ศาสนาจำนวนมากขึ้นทุกวันนะครับ